รรมบทแปลเรื่องที่154เรื่องปัญหาของพระอาณนเถระข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารพปัญหาของพระอาณนเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าดุลลโภปุริษาจันโยเป็นต้นตอน พระเถระรำพึงถึงที่เกิดของบุรุษอาชาในความพิสดารว่าวันหนึ่งพระเถระนั่งในที่พักกลางวันคิดว่าพระศัสดาเมื่อตรัสคำว่าช้างอาชาในเกิดขึ้นในตระกูลช้างฉัดทันหรือในตระกูลช้างอุโบสถม้าอาชาในเกิดขึ้นในตระกูลม้าสินทพ หรือในตระกูลพระยาหมาวลาหกโคอาชาในเกิดขึ้นในทักีนาปทชนบทเป็นต้นเป็นอันตรัตสถานที่ที่เกิดขึ้นแห่งสัตว์ประเสริฐมีช้างอาชาในเป็นต้นแล้วส่วนบรุษอาชาในย่อมบังเกิดขึ้นที่ไหนหนอตอนพระเตีระเข้าไปทูลถามพระสัสดา พระเถรานั้นเข้าไปเฝ้าพระศัสดาถวายบังคมแล้วทุ่นถามเรื่องนั้นพระศัสดาตรัสว่าอานนท์ขึ้นชื่อว่าบุรุษอาชาในย่อมไม่บังเกิดในที่ทั่วไปแต่บังเกิดขึ้นในที่อันเป็นมชิมะประเทศวัดโดยตรงยาว300ยโยต์โดยรอบประมาณ900ยโยต์ก็เมื่อจะบังเกิดขึ้น ก็ยอมไม่บังเกิดขึ้นในตระกูลสามัญย่อมบังเกิดขึ้นในตระกูลขติยามหาศาลและพระมหาศาลตระกูลใดตระกูลหนึ่งเท่านั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าดุลโผปุริซาจัโยณโซสัปบปบัตจายติยถาโซจายติทีโรตังกุลังสุขเมทติ บุรุษอาชาในหาได้ยากเพราะว่าบุรุษอาชาในนั้นย่อมไม่เกิดในที่ทั่วไปบุรุษอาชาในนั้นเป็นนักปราดย่อมเกิดในตระกูลใดตระกูลนั้นย่อมถึงความสุขตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าดุลโภเป็นต้นความว่าบุรุษอาชาในแล เป็นผู้อันบุคคลหาได้ยากคือหาได้ง่ายเหมือนช้างอาชาในเป็นต้นก็หาไม่บุรุษอาชาหนนั้นย่อมไม่เกิดในที่ทั่วไปคือในปัจจันตประเทศหรือในตระกูลต่ำแต่ย่อมเกิดขึ้นในตระกูลใดตระกูลหนึ่งบรรดาตระกูลกษัตริย์และตระกูลพราหมณ์ในที่เป็นที่ทาสการะมีอภิวาสเป็นต้นแห่งมหาชน ในมัชชิมะประเทศเท่านั้นก็บุรุษอาชาไนน์นั้นเป็นนักปราดคือเป็นผู้มีปัญญาสูงสุดได้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจะเกิดอย่างนั้นย่อมเกิดในตระกูลใดตระกูลนั้นย่อมถึงความสุขคือย่อมเป็นตระกูลที่บรรลุความสุขแท้ในการจบเทสนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องปัญหาของพระอานนเทระ